ข อ, อความสุขความเจริญจะมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประโพิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องฐานบารมีในตอนต่อไปก็ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงถึงฐานที่ทรงจำแนกแสดงไว้โดยนัยะต่างๆเกตามัเทศนาแนวนี้เขาเรียกว่าเป็นอนุโลมัทเทศนาคือจะมองคนแล้วก็มองธรรม ธมะเหล่านั้นจะยากย้ายเปลี่ยนแปลงไปเหมาะสมกับพื้นฐานของผู้ฟังในขณะนั้นนันแต่ว่าเมื่อคนเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติแล้วมันมีจุดบรรจบก็คือการลดของกิเลสและการเพิ่มขึ้นของธรรมะส่วนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของท่านการปฏิบัติของท่านเป็นประการสำคัญท่านอีกชุดหนึ่งแนวคล้ายค้คลึงกัน ท่านเรียกว่าภริกะทานคือหมายความวาการบริจาควัตถุปัจจัยภายนอกทั้งหลายในตรงนี้ที่จริงมันก็มีความยิ่งความหย่อนอยู่ในตัวของมันนะแม้เป็นการบริจาควัตถุภายนอกก็ตามยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีของอยู่สามระดับของหยาบของระดับกลางของระดับละเอียด ปัญหาว่าเราให้ของระดับไหนล่ะถ้าให้เราของเราของระดับหยาบๆคือเราเองก็ไม่บริโภคใช้สอยเขาก็จะเป็นธาตสถานตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามองดูความรู้สึกต่อสิ่งที่เราให้หมันไม่ได้ขจัดโลภะอะไรมากเพราะเราไม่ค่อยมีโลภะอยู่แล้วเราก็ไม่ค่อยหวงหวงอะไร กระจัดนีก็ไม่ได้กระจัดอะไรมากแล้วคนที่เราให้เองก็เราไม่รู้สึกประทับใจอะไรเท่าไหร่เราให้ได้นะก็แสดงว่าความเปลี่ยนแปลงทางจิตนี่มันน้อยเราจึงพบว่าบางครั้งบางคราวมีสาธารณภัยมีการรับบริจาคพอเปิดขึ้นไปในถุงนี่เจอผ้าขาดบ้างผ้าเก่าบ้าง ก็แรกๆกะ ร, รู้สิทธิเดิงมันกรกเหลือเกินนะก็ได้โอกาสให้คนอื่นเอาไปทิ้งให้มันก็แสดงว่าแนวเนี้ยเป็นาธาตสถานบัญญัหยาบแล้วดูว่าโลภะโทสะโมหะมันลดไปได้นิดเดียวเองแนวหนึ่งถ้าเราให้ของระดับที่เราบริโภคใช้สอยที่ท่านเรียกว่าสหายฐานหมายความว่าเราเองก็บริโภคใช้สอย นะแล้วก็เลี้ยงดูเพิ่มฝูงได้เนี่ยจะ แ, แสดงว่าโลคโกรธหลงมันลดลงไปมากกว่าเดิมท่านนี้ก็มีผลเนียนิสง ม, มากเพราะการกําหนดผลอนิสงใี้มมกาหนดด้วยการลดของกิเลสและการเพิ่มขึ้นของธรรมะทีนี้บางทีดีของมันประหนี่เกินแม้เราเองก็ไม่ค่อยบริโภคใช้สอยคือรู้สึกขวงรู้สึกเสียดาย แต่เมื่อเกิดพลังศรัทธาอย่างแรงกล้าเกิดเคารพแรงกล้าเกิดพักดีแรงกล้าเกิดเห็นผลอันิสงแรงกล้าเราก็ให้ไปเลยนี่ก็แสดงว่าตรงเนี้ยถามีทานคือทานที่ให้แก่ผู้ใหญ่หรือเราชักกิเลสได้เด็ดข่ะหมายความเราเป็นนายเหนือกิเลสเหนือความโลภความโกรธความหลงแล้วตรงนี้ถ้าหากว่าของนั้นมันมีอย่างเดียว ต้องอยพูดอีกเรื่องหนึ่งว่าปัจจัยหรือสิ่งที่เรามาให้เนี่ยมันบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ให้ลองดูตัวอย่างที่ที่ค่อนข้างคุ้ น, นหูนะคือจุเลกะสาศดที่สองคนผัวเมียมีผ้านุ่งและคนละพื้นแล้วก็มีพ้าห่มพื้นเดียวกันเวลาออกนอกบ้านก็ต้องเปลี่ยนกันออกโดยใช้พ้าห่มพื้นเดียวกัน แล้วก็ทั้งสองคนก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็ผลัดเวรกัมาฟังธรรมมเนเนิ่ท่านจุเลศาโดก็คือสามีเนี่ยมาฟังเมียก็้าบบาันเม่เกิดประทับใจเกิดดื่มดำเกิดเริ่มใสขึ้นมาอย่างแรงแต่ไม่มีอะไรจะบูชาเลยก็เห็นแต่ผราห่มผืนเดียวแล้วก็ค่อนข้างเก่านะแต่ก็นึกเป็นห่วงว่าพัญยาก็าจะคิดยังไงก็ไม่รู้ แล้วตัวเองก็จะเกิดหนาวขึ้นมาได้ทำได้ใครมันก็เป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงปัญญาแล้วก็เสียดายผ้านะฮะก็สู้กันไปสู้กันมาสู้กันมาสู้กันไปจะตัดสินใจเด็ดขาดเมื่อตอนใก ล, ล้รุ่งแล้วก็ตะโกนขึ้นมาด้วยเสียงเงินดังว่าชีดตังเมชีดตังเมไปว่าแบบรรยชนะแล้วเราชนะแล้วพระเจ้าปัสเสติโกศลกลับมาจาปะประับปรามปัจจุัชนชนบทแวะก็ามาฟางังธรรมในตำนานพระรพุทธเจ้า ก็เรียกมาสอบถามทราบความประสมชื่นชมการอุโมทนาก็มอบทรัพย์สิสนเงินทองต่างๆอย่างละแปดให้แก่ท่านเพราะฉะนั้นโดยเด่นว่าผลมันมาแรงมาเร็วแต่ว่าน้อยเพราะอะไรเพราะว่าการตัดสินใจของท่านเนี่ยมันพลังของธรรมามันอ่อนไปแล้วตัดสินใจได้เมื่อยามสุดท้ายกิเลสก็ตอนนั้นก็อ่อนไปแล้ว ก็เรียกว่าลบกันสะบักสะบอเมือนกบมวยปป้มในปป้มในจะนุ่มแล้วแต่ว่ามันก็เป็นบุญเป็นหน่วยส่งพิเศษเพราะทานในลักษณะวัตถุทานบางชีเนี่ยที่เราพูดถึงทานบางอย่างที่ให้ผลเป็นทิ่ธ ร, รมมคือหมายความว่าพริกวิชีชีวิตคนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยในสมัไมพุทธการก็มีประมาณสักสักหกคนนะนะ แต่ว่าวัตถุที่ท่านบอกเอามาบริจาคเนี่ยมันเป็นของเท่านั้นแหละคือท่านมีทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วก็มีเท่านั้นเนี่ยตัวนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นสามีฐานไปทำไปเนี่ยมาจุเลกระสาดกนี่ต้นหนึ่งแหละแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งมันค่อนข้างอัศจรรย์นะา่อามองเป็นแนววิทยาศาสตร์ก็คง พูยากแต่ว่ามันก็เป็นอจิไตยในรูปของกรรมวิปากะวิสัยคือวิสัยของผลแห่งกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเราเข้าใจไม่ได้คือใจความโดยสรุปว่า น, นายปุณณธาตุเป็นธาตุของท่านราชะเศรษฐีแล้วก็ท่านไปไถนา แล้วก็พบกับภาษาลิบุตรออกแกนิโรธสมาบัตใหม่ๆ่ะนะท่านก็เห็นข้าวก็มีใจแต่มไม่มีอะไรถวายประทายหน้าอยู่ก็ไปตัดกิ่งไม้แล้วเข้าใจว่าเป็นไม้พวกอะไรสะเสดาเนี่ยนะก็เป็นไม้สำหรับฝัน้ะภาษาริบุตรรับแล้วก็เดินเลยไปทางบ้านของท่าน ปัญญาก็เอาอาหารซึ่งเตรียมมาให้สามีรับประทานมาให้ถวายพระเทิดระเรตกลงว่าสามีนี่ถวายมาจำรับค่ามปัญญาถวายอาหารที่เตรียมให้สามีเมื่อคุณะ์ก็ถวายแล้วก็นอนหลับไปปัญญาก็ต้องกลับไปหุงข้าวใหม่ก็เสียเวลาไปน้อย ก็มอเดินกลับมาก็ตะโกนบอกสามีแต่ไกลนะว่าให้ทำใจให้สบายดเดี๋ยวโมโหหิวมันจะเกิดทาให้ทานมาเศร้ามองไปสามีาพอทราบข่าวดีใจมากวราวันนี้เวลาเรามีของจะให้ไม่มีผู้ที่จะรับมีผู้ที่จะรับเราไม่มีของที่จะให้วันนี้ทั้งสองคนก็มีของที่จะให้แล้วก็มีผู้ที่จะรับเร็จแล้วกินอาหารมันก็เพลียนะหลับไป ตืนขึ้นมาถึงก็มูลไถเฉพาะที่ท่านไถ่นะกลายเป็นทองคำไอ้ตัวเนี้ยวิทยาศาสตร์จะพูดยากนะแต่ว่าเรื่องกรรมวิปากะวิสัยเป็นพวกอจินไตนะฮะสามข้อเนี้ยข้อหนึ่งก็คือข้อนี้เป็นเรื่องที่เราอธิบายยากแล้วก็ไม่ใช่มีจุดเดียวนะมีหลายจุด เราก็ไม่มีคนที่ทําบุญได้ขนาดนั้นมาเป็นเครื่องมือในการสอบทานเทียบเคียงก็เชื่อเอาไว้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะเพราะอะเพราะความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของทาง่านปุณณะในการต่อบวาถ้าเขาเป็นเสถียรเขาเรียกปุณณะเสถียรเราจะระมอบให้ทั้งหมดเลยก็ถือไม่ใช่สมบัติของท่านมาเกิดรูบุญของเขา แล้วก็ลูกสาวของท่านก็เป็นหมาอุบาสิกาที่เด่นดังชื่อนางอุตราแล้วก็นำนางสิริมาซึ่งเป็นน้องสาวของหมอชีโมจิบกุมาลพัฒนเข้ามาเป็นอุบาสิกาในพุทธศาสนาแล้วก็เป็นอุบาสิกาที่รับชกย่องในด้านเจริญเมตตาภาวนาได้สูงสง่ง อันนี้ก็คือฐานเราจะเห็นว่าทานในแนวเนี้ยถ้ามันมันระดับก็สัมปทาคุณเขาเรียกว่าสัมปทาคุณแต่ตามปกติมันเจอยากนะฮะการลงตัวเนี่ยมันมันหายากคือหนึ่งก็เรียกว่าวัตถุสัมปทาคือผู้รับอ่ะเป็นราน า, ามีหรือพระอาชาหันมีสองประเภทานั้นนะ แล้วก็สองปัจจยสัมปทาคือของที่เรานำมาบริจาคนั้นเป็นของที่ได้มาด้วยความซื่อสัต์สุจริตไม่มีปัญหาทุกขั้นตอนของการสแสวงหาการได้มาการครอบครองแล้วก็เจตนาสัมปทาเจตนาทั้งสามช่วงก่อนให้ขณะให้หลังจากให้เนี่ยมันประกอบด้วยกุศลในเจตนา ไม่มีเขาเรียกมัชเฉรดจิตคือจิตจัณน์ีมันเกิดขัดวูปสองวูปสามวูปมันไ ม, ม, นไม่มันไม่มีเลยนะมันมีแต่ปีติปราโมทย์ทางจะให้ไปแล้วแล้วผู้นาติเรกสังกตาคือผู้รับเป็นผู้ที่ออกจากนิโรธสมาบัตไหม่ๆแล้วเราก็ถวายกับท่านเป็นคนแรกเพราะในการลงตัวอย่างเงี้ยมันลงตัวยากคนจึงมีแค่หกรายตอนนั้นเอง แล้วเราก็ไม่มีตัวอย่างที่จะพิสูจน์ทดสอบนะบ่าไม่เป็นไปได้จริงไหมเพราะในปัจจุบันเราไม่รู้ว่าใครเป็นประหารแล้วใครจะเป็นประหงแล้วท่านออกจากนโรสสมาบัติเมื่อไหรแล้วใครถวายอุคประกอบอย่างอื่นเป็นยังไงเนี่ยตัวนี้ก็ฟังเอาไว้ว่าเป็นความอัศจรรย์ของบุญญาธิการไม่มีคำตอบนะบางเรื่องเนี่ยเราตอบไม่ได้เลย อาตมาเคยพบคนคนหนึ่งตัววันจะตายแ้วอย่างไม่รู้มานานแล้วฮนะท บ, ทบมาทบมาสามสิบกว่าปีแล้วก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าเ็บอกว่ามีพระพุทธรูปมาเข้าฝันให้ช่วยไปส่มแสมหลังคาให้ท่านหน่อยเพราะว่าเวลาฝนตกรั่วแล้วท่านก็เปียกหมด แล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เล่าไปฟังกันสองคนบอกเออเราก็ยากจนอยู่แต่พระท่านก็มาหาให้เียวใช้ช่วยท่านวันก็ขายทรัพย์สินเงินทองแหวนสร้อยอะไรต่างๆของเก่เาๆแล้วก็ชวนญาติพี่น้องไปทำกันจนสำเร็จมันไม่ใช่โดนบันดาลหรอกแต่มันเป็นเรื่องที่แปลกว่า สองคนตายายมันก็ขายข้าวสารทีละลิตรทีละถังทีละอะไรนี่นะอย่างมากคนมันแห่กันมาซื้อที่บ้านแกจนขายเป็นตันๆกันเลยนะรับเข้ารับข้าสารจนถึงก็ส่งออกนอกรวยมากตอนนั้นมาพบเขาเนี่ยเขากำลังจะสร้างเจ ด, ดีย์เทวัดไหรนะือเปล่าตามโยมทำบุญมากๆอย่างนี้ไม่กลัวเลย แกบอไม่ต้องกลัวเราทันมาเองมาให้ทาเองนั่นคือเป็นเรื่องที่ที่คนใช้ประสบการณ์ตร ง, งตัวเองแล้วก็ยืดยันตามสิ่งที่ท่านเชื่อเพราะเรื่องเหล่านี้คนจะต้องทำเองนะต้องทำเองแล้วสัมผัสเองอธิบายแล้วก็จะฟังยากจะเข้าใจได้ยากแต่ถ้าคนที่เคยทำแล้วจะรู้สึกว่าก็ธรรมดาก็ไม่ได้ปนนแปลกอะไร คนนี้จึงมีความเข้มแข็งในการที่จะส่งเคราะห์โนเคราะห์ช่วยเหลือคือกูลกับบุคคลอื่นบำเพ็ญกุศลสาธารณะไปเรื่อยๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็แนวบูชาบุคคลที่ควรแก่การบูชาประการต่อไปนั้นก็เรียกว่าอัจฉริกฐานพวกนี้ทำยากหน่อยเป็นฐานะอุปบารมีทำยากถ้าเจตนาให้จริงๆนะฮะ ก็หมายความว่าเป็นทานภายในได้แก่ให้บุตรธิดาบริจาคโลหิตหรือช่วยชีวิตบุคคลอื่นหรือเสียสละอะไรได้ดตับไป ต, ต่างๆที่มันมันมันเสียสละได้เนี่ยดวงตาเป็นต้นพวกนี้เป็นทานที่ให้ยากเพราะว่าคนที่เราสิ้นหรือคนที่เราให้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออ ว, วัยวะส่วนตัวเราส่วนหนึ่งก็คือบุตรธิดาพัญญาสามีดีมันมั น, มนห้ยากนะ คนที่ทําได้จริงๆแล้วจิตใจจะต้องเด็ดเดี่ยวและในแง่สังคมเนี่ยค่อนข้างอยู่ลําบากด้วยเพราะสังคมเขาจะไม่เข้าถึงชีวิตระดับอุดมการณ์อย่างนั้นเลยจะโจมตีจะใส่ร้ายแล้วก็ปัญหาว่าคนที่เราให้เขานี่พื้นฐานความคิดมันทันกันหรือเปล่าล่ะมันได้เหมือนกันหาชาลีกับพนามัตสีเราเห็นว่ากานหาชาลีพนามัตสีที่พระพุทธสันนดรอธิบายเหตุบทให้ฟังแล้วเธอเข้าใจทันทีได้ แล้วก็ชื่นชมกับการกระทําของพระเวสสันดรแต่คนนอกมันก็ไปโกรธเกลียดแทนนะฮะแต่ที่จริงทั้งหมดเนี่ยเขารู้เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าท่านเรานี้เป็นบา ร, รมีตามหลังกันมาพูดจากันรู้เรื่องนะฮะเหมือนกับคนเรียนหนังสือระดับใกล้เคียงกันเนี่ยพูดจากันรูเรื่องแต่ถ้าพื้นฐานมันห่างกันไกลมันก็พูดกันยา ก, ก น, นะฮะเพราะอัจฉริกธารเนี่ยจึงที่เราเคยสังเกตกัน ถ้าที่รู้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะนสมมติว่าให้ตายอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบว่าอวัยวะนี่เขาเข้ากันมันก็ปฏิเสธหรือเปล่ากรุปเดียวกันหรือเปล่าส่วนมากก็อยู่ในแวดวงของความเป็นพี่เป็นน้องเป็นการให้ด้วยความรักความผูกพันฉันพี่ฉันน้องฉันพ่อแม่ลูกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ แต่ก็จิตใจไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะคนเหล่านี้ที่ทำได้เนี่ยแต่ถ้าจัดเป็นฐานแล้วก็เรียกว่าทานะอุปบารมีทานที่ค่อนข้างสูงทีนี้ในในการให้เนี่ยพวกการให้วัตถุทั้งหลายเนี๋ยก็มีอยู่สองแนวตัวนี้ก็เจอบ่อยนะฮะเจอบ่อยที่มีการถามกันบ่อยบาลีท่านเรียกว่าสาหัติการทานคือทานที่เราให้เองเราบริจาคด้วยมือของเราเอง ตัวนี้มันก็มองไปที่ตัวสิ่งที่เราให้เจตนาในการให้แล้วก็บุคคลผู้รับก็ถ้ามันดีหมดนะฮะผล น, น, นิสงก็มากแต่ว่าโดยโครงสร้างจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงว่าทักษิณาบางอย่างไม่บริสุทธิ์ตั้งสองฝ่ายคือแต่และฝ่ายก็ไม่มีสีไม่มีกัลยาณธรรมอะไรทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับแต่สงใช้คำวัาทายยกปฏิฆาหกซึ่งตัวนี้น่าทาความเข้าใจ กิดมาเองมีความรู้สึกมานานตั้งแต่บวชมาไม่กี่พรรษาแล้วก็ชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้ามา ต, ต, ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นนะนะคือมีความรู้สึกว่าสังคมไทยเนี่ยมันคล้ายๆกับกรกฏเกลือนอะไรบางอย่างอธิบายธรรมะแบบค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทายกกับปฏิฆาหกเขาแปลว่าผู้ให้นะทายกแปลว่าผู้ให้ปฏิฆาหกแปลว่าผู้รับ แต่ว่าในสังคมไทยเนี่ยมองว่าพระก็คือปฏิาากาเจ้าบ้านก็คือทายกมันคนละเรื่องเลยนะนี่ก็แสดงว่ามันมีการเห็นแก่ตัวของพวกอธิบายคือพูดแต่จะเอาพูดแต่จะได้ไม่ได้พูดคิดจะให้คนนี้บ้างเพราะว่าโดยภาคปฏิบัติเนี่ยพ ร, ระศาสนามันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นเค่องกรรมวัตถีคือกล่าวเรื่องกรรมเจตนาเป็นเครื่องให้เรียกว่าทานนะที่พูดธ a w นก่อน เพราะงั้นคนที่ทำหน้าที่ให้ใครก็ตามทำหน้าที่ให้คนนั้นก็ชื่อว่าถายกในขณะขณะนั้นแปลว่าผู้ให้แล้วใครก็ตามทำหน้าที่รับในขณะนั้นคนนั้นก็เป็นปฏิคาหกในขณะนั้นมันก็เป็นกิยาปฏิกิยาเพราะนั้นในการให้ตัวนั้นพระอาจจะให้ก็ได้ตัวนั้นพระก็เป็นถ่ายกชาวบ้านก็เป็นปฏิคาหก ต่อมาชาวบ้างให้พระชาวบ้านก็เป็นปฏิคาไอทายกพระก็เป็นปฏิคาหกก็แสดงว่าไม่ใช่ตําแหน่งนะไม่ใช่สถานะคนเป็นกรรมเป็นกิริยาอาการที่แสดงออกมาในเมื่อหนึ่งเทตมายังรู้สึกว่ามันชักจะผูกขาดมากไปหน่อยแล้วโอรัสโอเปียสังคุ ม, มากไปหน่อยนะคือกัณฑโยกัตเวทีกบุปการีที่ผู้เจ้าทรงแสดงว่าเป็นบุคคลที่หายระยะให้เราสังเกตนะเราอธิบายเป็นผู้ใหญ่หมดเลย เป็นผู้ย่า บ, บุปการีที่ผู้น้อยจะต้องกตัญญูกตวเวทีหมดเลยแต่ตรงนี้ที่จริงมันเป็นกิริยาบุปการีแปลว่าผู้ทำอุปการะก่อนกตัญญูกตวเวทีแปลว่าผู้รู้อุปการะที่ท่านทำต่อตอนแล้วก็ตอบทำตอบแทนท่านเพราะมันกรณีนนตัวนี้มันก็เหมือนกันนะสมมติว่าในกรณีนด่นญาติโยมมีช่วยพระตรง น, นั้นญาติโยมก็เป็นบุปการีของพระต่อมาพระช่วย พระก็เป็นบุปการีของอยู่ตัวอย่างที่ชัดเจนเนี่ยคือเรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จไปพบราธพราหม์ท่านต้องการจะบวชเป็นตเพราะพราหมณ์แก่แล้วก็ใครก็ไม่ยอมบวชให้พระเจ้าเสด็จไป ท, ทําทีคล้ายๆกับเยี่ยมเยือนสารีบุก็โดยเสด็จไปด้วยคือราธพราหม์พระเจ้าก็รับสั่งคุยด้วยนะท่านก็เล่าให้ฟัง พระเจ้าก็หารมาถามพระภิกษุทั้งหลายว่าใครนึกถึงอุปการะของค ร, ราวนี้บ้างไหมได้บ้างไหมภาษาริบุตรบอกว่าข้าพระองค์ระลึกได้คนะราวหนึ่งข้าพระองค์ไปบินทบายในกครงการคือพราหมณ์ได้ถวายอาหารทัพพีหนึง่งแก่ข้าพระองค์พระเจ้าก็รับสั่งให้ภาษาลิบุตรว่าตอบแทนบุญคุณของอุปการีอย่างเงี้ยได้ไหม ศาริบุตรก็เลยก็รับเป็นอุปชาบวชให้แล้วพระราชากุมนรุมักโนเป็นราชในตอนหลังเพราะเห็นว่าตอนเนี้ยพระราชาพราหมกก็เป็นบุปการีของพระศาริบุตรในกรณีที่ให้อาหารหนึ่งทัพทีพระศาริบุตรก็สมมึกคุณแล้วก็ทดแทนทั้งก็เป็นกตัญญูกะตะเวทีเพราะฉะนั้นสังคมเนี่ยมันมีการให้มีการรับมีการได้มีการเสียแล้วก็เราก็เอามาที่บายแบบ บิดบังซ่อนเงื่อนคือแสดงความเห็นแก่ตัวของผู้อธิบายนะใครอธิบายกระต่างนี่แสดงเห็นแก่ตัวพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ขับอย่างกันไม่ได้กําหนดที่ตัวคนนะไม่ได้กําหนดที่ตัวคนแต่กําหนดที่การกระทําในแต่ละกษณะดีก็เพราะการกระทําชั่วก็เพราะการกระทําถูกก็เพราะการกระทําผิดก็เพราะการกระทําก็หมายความว่าทุกข้อเนี่ยคนเป็นได้ด้วยการกระทําของคนเหล่านั้น ตอนนั้นในกรณีของการให้ฐานเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยสมุท ร, ร, พ, รพระเป็นบินทบาทโยมก็เป็นบุปการีของพระพระก็ต้องกตัญญูกตเวทีต่อโยมแล้วก็ยังมีโครงสร้างอีกโครงหนึ่งพระเจ้าทรงสแสดงเรื่องสังคฆะว่าพิสูจน์ทั้งหลายทายกนั้นมีอุปการะต่อเธอโดยการทนุบรมบุญโดยจตุ ป, ปัจจัยทั้งสี่ นะพวกเธอก็ต้องสํานึกกตัญญูกตวเวทีสำนึกอุปการคุณของถายกก็สงเคราะห์ชาวบ้านด้วยธรรมทานเห็นไหมว่าพระก็ต้องกตัญญูแต่ชาวบ้านชาวบ้านเองก็ต้องกตัญญูต่อพระตามสงควรแกร่กรณีไม่ใช่ว่าให้คนกลุ่มหนึ่งผูกขาดความเป็นบุปการีวันเกิดผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ต้องไปถ่ายให้สการะวันเกิดผู้น้อยผู้น้อยก็ต้องไปให้สการะแล้วก็ แล้วดูทบทวดไปทบทวจมาเฮ้เราเคยได้รับอะไรจากผู้ใหญ่อุ้์นี้บ้างท่านนี้บ้าง ก, ก็ไม่เห็นนี่แล้วก็เรียกร้องความกตัญญูกะตะเวทีความสำนึกคุณนทำอะไรทําก็เป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็พิกลนะ น, นะเพราะาธรรมะเนี่ยที่พระเจ้าส่งสอนว่าทำ ม, มันจเร จ, จริญสุจริตต่างนัหนัง ร, จรุจริตต่างเจเรพญถึง ป, ประพฤติธรรมให้สุจริอย่าประพฤติธรรมให้ทุจริต ผลธรรมะมัเป็นสัจธรรมเอากันจริงๆทรงๆผู้เจ้าว่าอย่างไงคืออย่างนั้นไม่ใช่เป็นตําแหน่งผูกขาดว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะต้องเป็นบุปการีตลอดมันมีบางช่วงบางตอนที่ลูกเป็นบุปการีสิทธิ์เป็นบุปการีก็ดูซิว่าใครทําอุปการะอะไรแก่ใครอย่างไรมันไม่ใช่เป็นตำแหน่งผูกขาดนะเป็นการปฏิบัติธรรม เขาเรียกว่าเป็นกรรมวาตถีตำลักของพระพุทธศาสนาั้งฟังเทลาไรใต้โ่มพระโบทิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงตอนนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบูตรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเทลายโดยทั่วกันสวัสดี